ก็มีความสําเร็จได้ควรข ว, ขวยเอาทุเลหน้าที่ของเพื่อนภิกษุสำเร็จอุสกอาสิกานักปวดเพื่อนอริยมิตรที่อยู่ด้วยกันในครัวก็คิดถึงความหิวของเพื่อนและเราคิดถึงความหิวของเพื่อน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 เราจเจริญสตินี่ก็เหมือนกันนั่นแลนนหละนะก็หาแนวร่วมด้วยเชืสร้างศรัทธาศรัทธาว่ายัางไงศรัทธาว่าทำดีได้ดี ท, <า>ทำชั่วต้องชั่วศรัทธานในคำสอนของราทสดาอย่าเอนยทางอย่าอ่อนแอในศรัทธาจะเป็นต า, ายไล่ดียังใดเขาก็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 ทำไมไปไหนอยู่ไหนก็อยู่กับเราอยู่กับเราแท้ๆแบบนั้นสบายเลยการทําความเพียรการเจริญสติไม่เหมือนกันทํามันเดินเช่นพวกเราปลูกป่าสร้างป่าสร้างน้ําต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างต้องมีต้นไม้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 มองอาอย่างคนดีคนดีๆมืเอเยอะแยะเราก็เห็นอยู่หายคนดีในปัจจุบันวันนี้ก็มีตรงนี้อาจจะมีเยอะน้อยเราก็ไม่มีใครเป็นคนดีเราก็สร้างตัวเองไม่มีใครเป็นมิตรกันเราเราก็เป็นมมตรกับตัวเอง หาการยานมิตรที่หาเรียกเราก็เป็นกัรยาณมิตรกับต enfin> ัวเองยิ่งดีกว่ากัรยานมิตรภายนอกมีกัรยานธรรมกัรยานธรรมก็คือพวกศรัทธาพวกศีลพวกสมาธิพวกความเพียรพวกสติปัญญานเรว่องการยานธรรมไม่ยากเหรอจุนเหรอจด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 ความคิดเห็นทำความเห็นให้ถูกต้องบางอย่างแนวร่วมนะา ท, ทีเราไม่ได้เน้นเรื่องการเจริญสติขณะที่เรายกมือเคลื่อนไปถ้าอันไหนมันอ่อนปรับเออปรับอินรีปรับอินรีให้พอดีถ้าไปปรับอินรีในช่วงที่ควรปรับ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 ถ้าต่อหัวใจผมเรี่ยม ก, กายใจเนี่ยมันเป็นภายในมันเป็นเจ้าเรือนสตินี่ถึงแม้นมันมีอยู่เท่าจริงแต่ว่าไม่เคยเป็นใหญ่เท่านั้นเพราะว่ามันก็เป็นอันอื่นเป็นใหญ่บางทีอารมณ์เป็นใหญ่นิ้อใสปัดใจจิตหลีดเป็นใหญ่จิตหลีนิ้อใสเป็นใหญ่ ทิฏฐิมานะเป็นใหญ่ความเห็นผิดเป็นใหญ่หรือว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นปอกหือ่าการปรับอินซีนี่นี่ได้หลายอยา่างเอาแบบ่างบ้างเอาดุ่นๆุนบ้างชิมดูยกมือดูลู้ตัวไปนะกว่าที่สติมันจะเป็นใหญ่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 ได้เท่าไหร่ก็เกิดขึ้นเท่านั้นถึงเระดูแลงมาก่อนเพาจะพืชต้นหญ้ากลายเป็นเชื้อเพลิองอย่างดีเขาไม่ตายไปแล้วก็วางแผ่นปับพื้นที่ให้รถมาใช้เองแลยวขาา้าคาไลยปเลยหญ้าพงก็ไปเลยแม่มีอยู่ก็หอนแด่เต็มที่แล้ว สติก็เหมือนกันความพร้อมที่จะสร้างสติแป๊บเดียวก็ไปได้งอกงามเลยเหมือนการเรียนอะไหรโรงเรียนอะไรโรงเรียนสมมหินเลยเป็สมมหินธิสมมหิทผมก็เคยไปดูอบ้านเด็กโรงเรียนบ้านเด็กเมืองกาญจรนบุรีสมมหินเคยไปศึกษาเพื่อจะมาสอนเด็ก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 แล้วเขาพ่อมก็ไเรียนเอาเรียนเอาเรียนเอาก็สอบเปรียบเทียบไม่กอสอนอเปรียบเทียบเพื่อที่จะได้ทื้นฐานอย่างไรได้ข้อมูลอย่างไรแล้วก็เทียบไปเลยสอบไปเลยเห็เนที่เรียนหกปีก็เรียนปีเดียวจบนะ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 วัดปากาลิโกถามข่าวเร oh, no, like. so ื่องวัดอกาลิโกเป็นอย่างไรอาจารล้วนไม่ปัญหาแลยโอ้ปัญหาเยอะแยะหลวงพ่อปัญหาพอหลวงพ่อเจุลันไม่มีปัญหามากมายเรื่องการทำมณโฑหลวงพ่อเจุลันก็ขัดแย้งกันบางกลุ่มก็จะสร้างโบสถ์ก่อนบางกลุ่มก็สร้างมณโฑก่อนแย่งกันไปแย่งกันมาอาารยล้วนเลยโผล่อ็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 พนดีความสุขได้เพราะมันทุกข์มกผมนอนไม่หลับผมก็เดินจงกลมมันก็ดีเนี่ยนอนไม่หลับก็ดีเนี่ ย, ม, ม, ม, ยมาเดินจงกลมซะถ้ามานอนไม่หลับเก่งๆเดินจงกลมจนโตลุงเออได้ท้องความเพี่ยนบางทีเขาก็ไปน้ํายอก็น้ําบงแล้วฉลาดนะเขาคุยได้เขาบ่าทุกข์แต่แท้ทำไมเขาพ้นจากทุกข์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 แต่ไปคิดว่เดียนอนไมหลับ่เออจะอีกแบบว่าตืา่นเต้นเกินไปนะดีมองเลยมองน้อยนีด่ดียวมันหลงก็ดีหัวโลภความหลงมันทุกข์ก็ดีหัวโลภความทุกข์เอาความถูกต้องไปต่ออย่าให้มันขาดสะบันลงเาไปกับเขาทั้งหมดต่อไว้ต่อไว้น่ เวลาเนี่ยมันก็ชวนให้ตื่นดึ ก, ดกข้อยะไรข้การหนักการเบาถ้าวันใดในดืนด่มน้ำ ม, มากมากนะกลางคืนก็ไม่หนักไม่เบาพอตื่นขึ้นมาเราก็คนเมีอายุเนี่ยก็ไม่อยากจะนอนถ้าไม่อยากจะนอนไปไหนหรอแต่บางวันก็เดินเที่ยวไปนู่นตามทางรอกวัดไปนอน สักไม่คนเท่าไในคนเท่าก็ดีนะดีอย่างไรเวลามีมูขวางทางแต่ยินเสียงไม่คนเท่าเราคุกคุ้งมัจะหลีกทางให้เรามีอะไรที่มันขวางทางเราสักไม่คนเท่ากันพวกสอดบางเพศมันฟังอยู่กับพื้นดิบทําปุ๊กปกมันจะไปเลยออยู่ตรงนั้นนะมีมู่จงกาง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 ถ้าหิวหิวไปเนี่ยไปนอนหลับเน right. so no so no so we ี่ยมันก็หายหิวนะใช่ไหมที่ต้องอยู่การหลับมันก็หายหิวเราหลวงพ่อเทียนก็ไม่รู้สมัยก่อนหลวงพ่อก็เสียดายนะเสียดายหลวงพ่อเทียนถ้าไม่มีโรคเปียดเปลี่ยนหลวงพ่อเทียนจะมีอายุถึงร้อยปีนะอายุเกือบสิบปีเนี่แข็งแรงกว่าหลวงพ่อนะยังเดินพายบาตขึ้นรถโดยสารไปสอนธรรมะในโลกเปียดเปลี่ยน เราก็ไม่รู้เราก็งโง่จริงจริงตอนที่หลวงพ่อเทียนอายุหกสิบปีเนี่ยบนญลนทองล่อนทองเอาผ้าหล้าพ่อ้าหลวงพ่อเทียนเอาผ้าคุมหัวไม่เป็นนะไม่ได้เอาผ้าผับผับหลปุกของแล้วก็ท่านก็สอนเราด้วยไม่เอาผ้าคุมหัวห่เหมือนกับมุสลิมเอาผ้าผับผับหลบปกุกเดินจงกรมกลางคืน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 นอนเฉยๆนอนสบายๆมันจะหลับเนี่ยอะไรก็ตามมันมีเทคนิคของมันอยู่การเจริญสติการเตรียนนิสัยมีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานหลักเดียวเท่านั้นสติเอาสติเท่า น, นั้นรู้สึกตัววิธีที่รู้สึกตัวอ๋อลอยอย่างหายใจเข้าหายใจออก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 มีกำลังกลังสติได้จากบับพะบับพระนี่เป็นเครื่องชูกำลังให้สติงงมันงงอกงามบับพระคือการเคลื่อนไหวกายบับพระจิตบับพระสัมปชัญญะบับพระเป็น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 เดินจงคมนีด่ดีสำหรับคนใหม่ๆหนะ่อยดีกว่านั่งมันจะไม่เสียเวลากับความ ง, ง่วงเดินจังกรมไม่เสียเวลากับความ ง, ง่วงนั่งมันเสียเวลากับความ ง, ง่ว ง, งความง่วงกข้ามาอาศัยเป็นอาคันตุกะมาบ่อยแต่เดินจังกรมนีไม่ไม่ได้อาศัยจังหมงหนึ่งก็รวนรวดในสติจังโวงหนึ่งจะมีบ้างคือความคิด ความคิดมันก็ไม่ยากเหมือนกับความม่วงความมววงมันมีแนวร่วมเยอะยะตาก็เบลนไม่ขึ้นเืออ่อนขาอ่อนถ้าถ้าความคิดเนี่ยมันยังเดินได้ก็เอามาเดินเอามาลู้นะมันมันเหมาะกว่าแต่ไปอย่าไปง่วง